ใจชีวิตมนุษย์ของเรามีกายมีใจมีวาจาไปเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการทำหน้าที่ของชีวิตมนุษย์เราในโลกใบนี้ให้งดงามปรชาชจากกรรมทั้งปวง กรรมนี่เผจดแบเจ็บปวดผลของกรรมถ้าว่าธรรมชาตินี่ให้รดเป็นธรรมรดเหมือนกับมันดะยอดโอชาแห่งโครดก็คือ 6. โคจำนวนห้าร้อยตัวมาไม่โคพันดีให้น้ำนมเอามาเขี่ยวรวมกัน จนงวดก็จะได้รสชาติที่เป็นเลิศ ก, การที่เราอยู่ในโลกใบนี้เรามีใจ่างที่เราพึ่งใจไม่ได้มีกายเราก็พึ่งกายไม่ได้บางที่ราเบียดเลียนกัน ตกกกายใจก็ป่วยด้วยป่วยใจกายก็ทุกข์ด้วยอันนี้ก็คือการที่เรามารู้จักแยกแยะสภาพธรรมรูปธรรมน้มธรรมกันห้าเมื่อเรามามีความรู้สึกตัว มีการฝึกมีการหัดฝึกฝนตัวเองฝึกฝืนตัวเอ ง, เองหัดจิตหัดใจเคยหลงไปคิดเก่งคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างคิดถึงโลกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์คิดถึงสุขภาพมันก็คือล้าณะของ วับงบนของการกินเกียรตกิเลสมรามีกิเลสก็งุนงงสงสัยงี่เงา้าอยู่กับเองก็อยู่ไม่ได้งุดหงิดเครียดว้าเวขี้เหงาอันนี้เป็นความงยความมึนบาปของคนที่ไม่รู้จักทิดทางสว่าง ไเคยได้ยินได้ฟังไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นผู้สงบจากกิเลสเป็นยังไงไม่มีการยามิตรไม่มีอยู่ในสอบัญชีการไม่เคยมีการไข่ครวนอย่างแยบคายอยู่กับทุกจมทุกอมทุกอยู่กับสกหลงสุกอยู่กับทุกจมทุกอมทุกไม่หนอนทาง หนทางนี้เป็นนทางที่องคสมเด็จส ม, สมานเจ้าเคยเดินผ่านมาก่อนพร้อมตั้งชี้ล่องลอยวิธีการแต่ละก้าวแต่ละขณะของการใช้ชีวิตเราจะใช้ยังไงวิธีคิดวิธีพูดวิธีทาสติปัญญาพาธรรมหรือว่าหลงทมไปตามอารมณ์ ความรักเป็นความร้ายมีทุกข์กระจมทุกข์มีสุขหลงสุขสุขสุขทุกทุ ก, ทกแล้วท้ายสุดพอตายก็บอกว่าไม่ได้อะไรไปเลยโลกนี้มันเหมือนโลกที่เราคิดหลากแต่ไม่รู้จะทำไง งทีบุญก็คือความเมื่อสีขาวถ้าขาสติขาดปัญญาใช้ไม่เป็นไม่กระจอาอบุญคืออะไรบงทีบาปอาจจะหลงก็ไปเห็นกลงจากเป็นดอกบัวมิจฉาทิติทางกวางรู้สึกตัวมันจะคือคำตอบมันอจะเป็นกุญแจดอกเอกละไขรหัสของทม หลัของกรรมตั้งปวงเคยคิดเคยพูดเคยทามาแล้วไว้เรามารู้สึกตัวดูจะเห็นว่าความเลอะเทอะของจิตเรานี่มันประทับเอาไว้เป็นมลทินเครื่องเศร้าหมองนอนตั้งอยู่ในกระบืสันดานนิสัยอุบนิสัยสันดานจะแสดงออกมาเรารู้จักตัวเร า, ส, าสันดานขุ ด, ดง่ายเดาสันดานขุดยาก ก็ยังกดได้อยู่ต่ว่าฝึกสติฐานสี่อย่างถูกต้อง mm hmm. การนรู้ไปในกาย mm hmm. การเคลื่อนไหวแต่ละขณะต้องตื่นยันหลับทั้งเป็นเองทั้งเราสร้างขึ้นมาการิด ต, ตาเนี่เป็นเองหายใจนี่นเป็นเองการนั่งกดทับขยับเขยื่อนเจ็บปวดเมื่อนันเป็นเอง การที่เราเจนาฤฤตนาฝึกฝนตนเราใช้รูปแบบของการเจริญสติปัฏฐานแนวเคลื่อนไหวที่นี้เราก็อ้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราว่าเป็นเรื่องของเจริญสติสิบสี่จังหวะการที่เราฝึกสติสิบสี่จังหวะก็คือพลิกมือตั้งเคลืนรู้สึกยกขึ้นไปรู้สึกเคลื่อระวังที่สะดือก็รู้สึกสิบสี่จังหวะ เป็นรูปแบบเป็นอบายเป็นกุสโลบายเป็นอบายที่เป็นกุศลเพื่อให้เราได้เห็นกลไกของธรรมชาติรูปธรรมนามธรรมจะได้โยงกับหาโลกทั้งใบเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นสมมติสมมติมันเต็มโลกมันบรรญัดกันไว้มากมายแต่บรรพุทธ กีล้านปีแล้วก็ไมนะบัญญัติไว้อย่างนั้นธาตุน้ําก็บัญญัติเอาไว้ธาตุดินธาตุลมธาตุไฟบัญญัติเอาไว้จะต้งองก่อ่างสร้างตัวเป็นเราบนรธรรมการแต่งเป็นเราทุกวันนะวิธีคิดวิธีพูดวิธีทําก็ทําให้เป็นเราทุกวันนะี้เป็นตัวเป็นตนจนเป็นที่ถีมานะ เป็นจลิตนิสัยอาหารการเมืองการความยิงความประยองความลำพองความทรนงกูเก่งกูไม่เก่งบางทีก็ฮึกเ อ, อิบอาหารดีก็ฟอร์เหีย่ยวเสียสหลังเราจะให้ปรากฏการเหล่านี้อาการเหล่านี้มันครอบงาอยู่ในชีวิตของเราก็ขาดทุน ความเป็นโปรตีจิตมีเป็นผลจากการที่เราให้กายของเราใจของเรามันอยู่ด้วยกันรู้สึกตัวรู้สึกตัวใจมีสติอยู่กับกายทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวจิตมันก็แสดงธรรมชาติเดิมๆของมันออกมาคนที่รู้เนื้อรู้ตัวคือคนที่มีสติคนที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ความคิดมัอยู่ในโลกมายา ในโลกสมมุติเวลามีการฝึกฝนตนเราได้เห็นวความคิดนี่มั น, มนไหลตลักมันพังปลูมันเป็นพลังงานที่ไม่มีตัวไม่มีตนมันก็จริงตามหลักวิาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้สติของเรานี่มันเป็นนมามธรรมนมามธาตุ เป็นธาตุเป็นธาตุรู้เป็นธาตุว่างเป็นสติเป็นปัญญาตลงเผลอเป็นอะไรมากมายพบปูมคอยอยู่เทวดาพรหมสัดเดือาฉานปรายะสวนละกายเป็นพบเป็นภูมแล้วก็มีสิทธิเลือกเดินทางสามแป้ง จะเลือกไหลไปทําตามกิเลสอันนี้มกักจะง่ายเพราะทางมันสะดวกสุกก่อนแล้วค่อยทุกข์ทีหลังทําตามกิเลสทําตามอารมณ์อันนั้นทางไปนระกทางไปสวรรค์มันทุกข์ก่อนมันทุกข์ก่อนแต่ายสุดนี่มันให้ผลเป็นความสุขระยะยาว ก็ต้องฝืนใจฝึกฝืนฝึกฝนตนเทั้งมันก็ว่ามันมีร่องรอยของมรรคผลนิพพานด้วยเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วมาเกิดจากการที่เราใส่ใจกับบทเรียนนี้เป็นวิชากรรมฐานผลทำให้เกิดปัญญายานขึ้นมาวิปัสสนาญาณก็จะ มีผลมีอนิสงส์เราก็เดินเห็นสองข้างทางสุข ๆ, ๆทุกๆบุญบุญบาปบดีๆเชื่อๆชที่บัญญัติกันไว้เป็นสมมติบัญญัติเขาถึงสภาวะของปรตัตญาสภาวะก็คือการเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องถูกต้องจริงๆมีสติแทนทะลุเห็นการเกิดดับของกิเลส มีปัญญาได้คําตอบหายสงสัยมันจะไม่สงสัยเรื่องชีวิตตรงนี้แหละมันจะยิ้มได้มาัยมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ไม่ยิ่งล่ะพร้อมไปเชิญตกกระไดประกะชนจะพัดผ้าจากของรักของชอบใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ เ, นเรื่องการบัญญัติภายในตัวเรา เป็นความหลงความไม่รู้บัญญัติเอาไว้่าทีเป็นความรู้บัญญัติเอาไว้จนทั้งเป็นนี่แหละโลกทั้งใบมีกฎระเบียบมีกฎกติกากรรกรรจนเกิดนวัตกรรมพลังงานต่างๆนิวทริ น, จนสจีนโนมิกนาโนเทคเทคโนโลยีนาโน มันจยัดถูกตามกฎของธรรมชาติมันก็ได้ความสะดวกจะเดินทางว่ารัดๆสั้นๆไปไหนมาไหนจนเป็นฤทธิ์เป็นปฏิหารเรื่องจิตใจของเรามันก็มียานขนส่งที่มันเกิดจากการฝึกจิตทีแล้วมันจะพาเดินทางมันจะพานำสุขมาให้เรา สุดเสียสังระเตปันยังมันเป็นเรื่องของความสุขที่เกิดจากความฉลาด<ม>เราก็จะได้เห็นการใช้กายใช้วาจาใชา้จิตใจของเราเป็นความสะดวกเกื้อ <c oughs> กูลกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุปโลกตนขึ้นมาอนุเคราะห์ส่งเคราะห์จะทำอะไรกเกิดการผาสุขขึ้นมาความผาสุขก็แสดงออก ไม่เียดเบียนตัวเองไม่ได้เวียดเียนผู้อื่นมันก็เห็นโลกตางความเป็นจริงโลกธรรมแปดต่างๆมันเห็นนักตาในตาความรู้สึกตัวแสงวัยประเสียงตามหลักวิศาตมันก็มีข้อเกรงชี้วัดเดินทางได้ไวถึงหนึ่ง 1สนแปดหมืนหกพันไมล์ต่อวินาทีหรือว่าสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีขณะานนี้มันเมือถ้าเราเหนยนดูดวงดาวะระยะประยับไปหมดบางดวงว่าเดินทางหลายล้านปีแสงตัวมันเองตัวจริงกะดับไปไหนแล้วไม่รู้แต่แสงยังเดินทางอยู่นี่คือภาพมายามันมีอยู่แต่เราเห็นเสมือนจริงมาก แสงไวไฟเสียงหรือหลักสูตรใหม่ก็เรียนกัน3ามคสยกกำลังแปดมันมีตัวเลขวัดได้ทางค่าของนัวิทยาศาสตร์ที่กำหนดกันไวบัญญัติกันไว้พิสูจน์กันจนทั้งหลายคนก็ไปทิเสรไม่ได้ความคิดนี่ไวไฟแสงจนทั่งไอน์สไตน์บอกว่า ไอสไตน์คือนักวิทยาศาสตร์ที่เราทุกวันนี้ก็ต้องเรียนความรู้ความทามารถของ ก, คก็ความคิดเนี่ยไวไแสงไอสไตน์บอกชัดว่าสิ่งใดก็ตามที่ไวไาแสงสิ่งนั้นไม่มีตัวตนผู้เจ้ารู้ก่อนอีกว่าความคิดทําเป็นมายาไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นนายช่างผู้ปลูกเรือนโครงเรือนทั้งหมด คิดแล้วโลภคิดแล้วโกรธคิดแล้วหลงลองโกรธแล้วก็ลองไปอยู่ในเรือนโกรธลองหลงแล้วไปอยู่ในเรือนหลงลองโลภดูแล้วก็ไปอยู่ในบ้านเรือนที่มันเป็นความโลภมันจะร้อนรุ่มกวนกไ ว, วยักขนาดไหนมันจะอยู่สบายไหมแต่บ้านคือความเป็นปกติตัวเนี้จิตปกติไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เหนือสุขเหนือทุกข์มีอยู่ เมื่อกล่ทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเป็นทําเป็นถ้าว่ารู้สึกตัวไม่เป็นทําไม่เป็นมันก็ฝึกหัดกันต่อไปจนให้มันมีผลสําเร็จเราได้เห็นเออจิตของเรานิ่คิดเก่งเป็นมายาภาพในมีตัวตนดำผลักเราได้ทั้งวันเดี๋ยวจยิบหาดูเดี๋ยวพิหากินเดี๋ยวพิหาฟังเดี๋ยวก็คิดเพ้อเจ้อ ไม่อยากคิดก็คิดอยากจำกับเดิมอยากเดิมกับจำชีวิตของเราจะไปถึงไหนเดินทางแบบคุ้มดีคุ้มไยสเปสะปะหลงทิศหลงทางไปตามยะถากรรมเลือ ก, ก็เลือกไม่เป็นทำอะไรก็ไม่มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรอเลี้ยงไปในจิตใจตรงนี้เราก็เลยต้องหันกลับมา โดยใช้ศรัทธาความเชื่อทื่ว่ากรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ชั่วทําดีมันก็ดีอยู่แล้วทําชั่วก็ชั่วดีอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคนอื่นอันนี้มันจะเป็นลนักษณะของอัตตาบัญญัติที่ลึกซึ้งลงมีการบัญญัติไว้เป็นอริยบัญญัติไก่จากค่าศึกบัญญัติเอาไว้จะทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสัจธรรม สัจจะคือความจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะมีเราไม่มีเรามันก็เป็นแบบอย่างนั้นอยู่แล้วชีวิตของเรามันก็แค่หกเจ็ดสปีโชคดีน ก, ก็แปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยตนตนก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วตีมกันก็คือจิตใจถ้าเราไม่เห็นความคิดเนี่ย ความคิดจะพาเราใช้กรรมเคยคิดเคยพูดเคยทำอะไรมาใครเคยทำกับเราเราเคยทำกับคนอื่นมันก็จะมีผลเผ็ดร้อนเจ็บแสบจนเรียกว่าใช้สุดนอนตายตาไม่หลับทำงานยังไม่เสร็จการบ้านยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่ใช่ชาวพุทธที่เข้าถึง ความเป็นพุท ธ, ธะจิตรู้ตื่นเบิกบานมีความแก่มีความไม่แก่มีความเจ็บมีความไม่เจ็บมันมีความตายมันมีความไม่ตายมันมีอยู่ในหลักวิชาของการฝึกสติก็จะเห็นอาการเหล่านี้ซึ่งเป็นลนักษณะของเทวทูตมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆ มีการแก่มีการเจ็บมีการตายเนือเกิดเนือแก่เหนืเจ็บเนือตายก็มีก็คือสติปัญญาที่เห็นว่ามันคือธรรมชาติก็คืนสู่ธรรมชาติเดิมของมันแต่หลายคนเนี่ยหลงมากพยายามหมดเงินหมดตองพยายามที่จะสร้างรูปลักษ์มีผมก็รักษาผมมีคิว้วรักษาคิว้วมีตาก็ดูแลลูกตามีใบหน้าดูแลใบหน้า สดสององเอวต่างๆจะหลงตัวลืมตนจิตคิดในไวัยฝาแสงสติสมยัญญะสติฐานนไวัยฝาจิตคิดมันมีความคมมีความว่องไวมันเป็น่ารู้ทาดว่างเหม็นความไม่ว่างซึ่งมีความอยากมีน้ำหนัก ความโกรธยังมีน้ำหนักความโลมังมีน้ำหนักหนัก อ, อกหนักใจแหละถ้าแบกอารมณ์อารมณ์ตกค้างข้ามวันข้ามเดือนคํามปีบางทีก็หลายหลายปีก็ยังไม่ลืมอีกบางทีก็ดีมาตลอดคนที่อยู่ใกล้ตัวเราดีมาตลอดเลยมีเรื่องไม่ดีอยู่เรื่องเดียวเราก็ไม่ครบตายก็ไม่เผาผีก็มี หาขาดมาล้ายผูกปยาบาทจองเ ว, วรเราใครละทุกเราก็ทุกเองแล้วก็ยังแบกแล้วนี่นะไม่ยอมนะปล่อยไม่ยอมวางอเงี้ยมาเลยอย่างนงี้ยเราก็ต้องสงสารตัวเองเราเคยสงสารคนอื่นมาเยอะแล้วสงสารตัวเองชีวิตเหลืออยู่ควรจะเบาๆมีกำลังของชีวิตหายใจเข้าหายใจออก รู้สึกโลงๆเติบมาก็มีชีวิตจีวาขยันรู้สึกว่าโลกนี้มันมีเรื่องต้องทำก็คือหน้าที่มากมายหน้าที่เป็นคนไทยหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัว เ, เป็นเมียหน้าที่เป็นพระเป็นโยมหน้าที่ของชาวพุทธพุทธบริษัทมีหน้าที่ดูแลตัวเองหาอยู่หากิน หายใจเข้าให้สดชื่นหายใจออกให้สดชื่นการขับการถ่ายการรับประทานอาหารการเกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับโลกเราควรใช้ให้เป็นความสะดวกด้วยสติด้วยปัญญามันก็เหมือนกับว่าอยู่ตรงไหนก็ได้มันเป็นหน้าที่ที่เราเข้าใจ อันนี้เป็นเรื่องของสติปัญญาตาในมันจะเห็นหนึ่งนั้นมาเราเห็นตัวเองมันจะว่องไวละบุคคลหนึ่งสสามวัตถุหนึ่งสองสามสัพสัตสัพสิ่งเราดูการต่างๆจะมันคือรูปธรรมนามธรรมเราเห็นรูปธรรมภายในเราเห็นรูปธรรมภายนอกสิ่งเดียวกันสัพสัตสัพสิ่งเรื่องจะเป็นหนึ่งเดียวกัน นำมาทำก็เหมือนกันวิธีคิดของเราก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละเหมือนกันทุกคนเราก็จึงามาเห็นความจริงในตัวเรานะเอาส่วนที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะได้ว่าความรู้สึกตัวนะเป็นเป็นผลเอาสติสมาธิปัญญานะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนะใช้กายใช้ใจของเราเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนะ มาเป็นแบบฝึกฮะมาเป็นบทเรียนเปิดหนังสือเล่มชื่อว่ากายเราจะต้องเห็นบทต่างๆภายในเรื่มของหนังสือหน้าแต่ละหน้าต่างๆประโยคแต่ละประโยคคําต่ละคำทำมาจะถูกแยกย่อยจนกระทั้งเราได้เห็นทุกซอกทุกมุมภายในตัวเราเห็นคนอื่นอาจจะไม่สนุกนไปดูหนังเรื่องแรงเงาอาจจะไม่สนุกหรอกมาเห็นภายในตัวเราเนะี่ยอม มันเป็นเงาของกรรมที่ตามหลอกตามหลอนอยู่ตลอดเวลาบางทีนอนเกืนล้วก็ฝันไปฝันแ ป, ปลกๆฝันเป็นสุขฝันเป็นทุกข์ได้นิมิตต่างๆเกิดขึ้นมากลางคืนการนอนแล้วฝันมีชื่อเรียกเหมือนกันเทพบิมิตจิตนิวอน์ลางสังหรณ์ทาบกันทาดกำเริบทำให้เกิดความคิดขณะที่นอนหลับ แถบในมิตรก็เช่นเรามีจิตดีคนที่มีจิตดีมก็ฝันในเรื่องดีๆฝันแล้วตื่นมากรยิ้มได้จิตนิวรณห่วงอะไรเอาไว้ก่อนนอนหลับมันคิดถึงเรื่องอะไรปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกอย่างไรยมันจะไม่คิดฝันไปเรื่องนั้นรังสังหรณ์คนเราบางทีมันมีอาเพศเหตุภัยเกิดขึ้นไหมจะเดินทางไปไหนมาไหน จิตมันก็รู้บางทีจิตมนจะหมดวาละอยู่แล้วมันก็เป็นรูปสุดท้ายเป็นความฝันคนใกล้าตายทีก็ลุกขึ้นมานั่งคุยมันก็หายป่วยตามโรงพยาบาลเราได้เจอกันเยอะเหตุการณ์อย่างเงี้ย <c oughs> พอหันหลังให้ตอนเช้าต้องไปรับสอบมาจัดงานชาวนากิดอันนี้แปงหนาของลางสังหรณ์บางทีเราก็พลิก เราไม่ไปอปรากฏว่ารถไปลงข้างทางต้งกระบวนเครื่องบินตกบางทีพอเราไม่ไปปรากฏว่าเราว่าได้เจออะไรที่มันเป็นประสบการณ์ของชีวิตนที่ไม่เหมือนกับกลุ่มที่เราจะต้องเดินทางไปเขาด้วยแคล้วคลาดธาตุคำเริกก็เป็นความฝันเกี่ยวกับการกินการนอนของเราการขับถ่าย มาธาดเดินธาดน้ำธาดไฟธาดลมเข้าไปประชมมากบ้างน้อยบ้างมันจะฝันเช่นดื่มน้ำเยอะมันจะฝันเหมือนกับการเดินทางไปเข้าห้องน้ำเราทานแตงโมูเยอะยังจะฝันปลกเราให้เราลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำธาดคำเลิกบางทีก็จับไข้ไม่สบายตัวร้อนก็ฝันเหมือนไปอยู่ในกองไฟ ไฟนรกโลกโลกันนรกโลกโลกีต่างๆมันเป็นเรื่องของความคิดกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดตรงเนี้เราได้รู้สึกตัวแล้วก็ผ่านมันเหมือนกับความคิดไม่ได้มีความหมายอะไรสติปัญญาจะพาให้เราเนี่ยเหมือนกับว่านอนหลับไม่ฝันร้ายเหมือนกับเราเนี่ยพอคิดปักถูกตัดลงทันทีด้วยกําลังของสติเป็นหน้าที่ โดยที่เราผู้ปฏิบัติไม่ต้องร้องขอสติปัญญาจะมาทันทีความไม่ปกติปรากฏให้เราได้พึ่งในตัวปกติเนี่ยมันจะมีปัญญาเราจะได้ใช้ปัญญาพุทธะตามกำลังสมควรแก่การปฏิบัติทุกคนเลยพระด้านวันวั น, วนตะวันนี่เราพยายามฝึกฝนตนกัน ให้เกิดประสบการณ์ในการปฏิบัติให้มากที่สุดโดยเฉาในรูปแบบการทำเถอะทาให้มานหมางเช็ดการเดินจงกรมเนะีมันจะได้สติสองครั้งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนกลับตัวอันนี้ครั้งหนึ่งกับก้าวแรกที่กระทบเนะี่ยไงก็ได้สติอยู่แล้วแต่ว่าเราเดินจงกรมกันไปนหรื อ, อยังกันเนะวางหน้าวางตากันไปนหรื อ, อยังเวลาเดินจงกรม วางแขนวางขาวางไม้วางมือให้จิตใจมันมีสภาวะเป็นกลางกลางทำเป็นหรื อ, อยังหวางกายคลายคลาวางใจกลางๆงไม่เพง่งไม่จ้องทาเป็นหรื อ, อยังเดินแบบเป็นวิปัสสนาไม่ใช่สมถะเดินเป็นหรือยังอย่าง น, น้อยมันก็เป็นการฝึกให้ตัวเองมีประสบการณ์ถึงจะทํายังไม่เป็นแต่ให้มีประสบการณ์มากๆไว้ก่อน เมื่อเราทําซ้ําๆทําซ้ซําๆอยู่ทุกวันจริงมันจะฉลาดขึ้นมาเองอ่ะพระปัญญามีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เดินทางไปนิพพานที่ไหนหรอกปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะไปนิพพานแต่ว่าเราจะกลับมาสู่นิพพานในตัวเราเพราะนิพพานอยู่ในตัวเรา จิตเดมแท้จิตปกติอะมันคือนิพพานไม่ต้องไปหานิพพานปฏิบัติของที่เป็นส่วนเกินให้เอาออกนิพพานมันมีก็มันอยู่แล้วในตัวเราความเป็นโพติจิตมีอยู่แล้วในตัวเราเพียงแค่เอากิเลสที่นอนเนื่งอยู่ในสันดานของเราออกไปมันเกิดจากการคิดการปรุงกันแต่งเมื่อเราไม่คิดมันก็นิพพานอยู่แล้วจิตปกติ นัตตล า, ามีสติหยิบความคิดมาใช้ก็เกิดคุณเกิดค่าเกิดสมมติบัญญัติขึ้นมาจะเป็นคุณงามความดีที่แสดงออกทางกายวาจาใจซึ่งกันและกันเป็นความเ อ, เอเื้อเฟื้อเป็นความเผื่อแผ่เป็นความ เ, เามตตากรุณาเป็นความกระตันยูขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอายชั่วกลัวบาปฮิลิยอตั ป, ปะเป็นธรรมที่เป็นโลกบาลทีเดียวเป็นธรรมที่ทําให้เกิดความเป็นเทวดาขึ้นมา มีความงามมีขันติความอดทนอดกลั้นมากมายแล้วกันเป็นคุณธรรมที่มีเกิดขึ้นมาจากการที่ทททําีี่่เราได้รู้สึกตัวที่เกิดจากการกระทําของเราเรียกว่ากรรมมาฏฐานเพราะฉะนั้นกรรมมฐานก็จึงเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเราขนาดนี้ดูที่กายก็ต้องเห็นเวิทยาเห็นจิตเห็นธรรมชาติ ดูที่กายก็ต้องเห็นกายในกายไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขาเราใคยยึดว่าเป็นเราตัวของเราหน้าตาของเราทุกกายก็ทุกใจด้วยป่วยกายก็ป่วยใจด้วยเรา เ, เห็นกายในกายมันมีความรู้สึกทุกขังกายจะเกินไหวแสดงอาการเป็นทุกข์เราก็ไม่ได้ทุกข์ไปกักายเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ทุกขังก็คือกายของเราเป็นทุกข์ที่ขังเราอยู่ใครบอกว่าไม่ทุกข์ยังไม่ต้องปฏิบัติธรรมนี่แสดงว่าโกหกหน้าตายก็เราอยู่กับกอนทุกข์อยู่แล้วคือกายของเราตั้งแต่หัวจนหดเท้าแต่ว่านักปฏิบัติจะไม่เอากายเป็นทุกข์เอาอาการต่างๆมาศึกษาจนเข้าใจมันเห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เห็น เวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สับตัวตนบุคคลเราค่ะก็คื อ, อาการสุขอาการทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกลยกับใจของเราภาษาบาลีเรียก ว, ว่าเวทนาเวทนาในเวทนาก็คือมีความรู้สึกตัวเป็นความบริสุทธิ์เดิมแท้ก็มันมีอยู่แต่ว่าตัวที่เป็นอาการเป็นสุขเป็นทุกข์คือจิตของเราที่มันคิดปรุงแต่งตามจริยนิสัยตามความหลง ไปตีกว่ามาการเหล่านั้นจนเป็นสุขเป็นทุกข์แต่าตามความรูม้คือการธรรมชาติธรรมดาเราเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปเห็นจิตในจิตคืออาการที่เป็นคิดเก่งนะั่นแหละมันเป็นจิตปลอมๆจิตเดมแท้เป็นปกติมีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วด้วยทําไม่มีเราก็คงจะตายจากโลกนี้ไปนานแล้ว ม, มีจิตที่เป็นปกติเลี้ยงเราอยู่หล่อเลี้ยงจนทั้งเราสามารถที่จะรงดิวิตยอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสง่า ง, งามเห็นจิตในจิตมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็คือในความคิดของเราอย่าไม่เชื่อมันเป็นแค่ไมายาทั้งนั้นเลยเป็นเงาเป็นแค่เงาไม่ใช่ความจริงเห็นธรรมในธรรมก็คือความคิดในะมันคิดเป็น ทำที่เป็นกุศลเป็นความฉลาดเป็นธรรมที่เป็นอกุศลเป็นความไม่ฉลาดก็แล้วเป็นบุญเป็นบาปนี่เพราะเราจะไม่หลงบุญหลงบาปถ้าเราเลือกได้เราก็จะทําจิตให้เป็นกุศลคิดให้เป็นกุศลพูดให้เป็นกุศลทําให้เป็นกุศลเป็นความฉลาดเห็นศาลามมีใบไม้เลอะๆเราก็ควาอย่างนี้นี่เป็นความฉลาดเห็นสุนัขมาข้างใน รัวสุดหน้าก็ไม่ได้อาบหน้ามีหมัดเยอะๆนี่นะมันมีพยาดแล้วมันก็มาเกาแงงแง๊งแง๊เอาหมัดเอาเห็บทิ้งไว้แล้วก็โดดกอกินคนเราฉลาดแล้วก็เชิญก็ออกไปหน่อยให้รู้ที่อยู่ไก่ปล่อยให้เขาขี้ใส่ซาลามก็พยาดอางเงี้ยเราเห็นแ ล, แล้วเราไม่ได้เดินเลี่ย ง, เ, งเลยประเภทนี้ยังไม่เห็นทันคนเห็นทันไม่เห็นอะไรไม่ดีมก็ แล้วปิดทองหลังพระทันทีช่วยกันคนละมือคนละไม้ถึงไม่มีใครเห็นเราก็เห็นตัวเองอย่างนี้นะทำอะไรก็ตามไปเป็นดีวูบดีวูบเป็นคนที่มีสาระนะไม่ใช่ไรสาระเป็นสาระเร็วไม่มีมันจะไม่ได้ทําอะไรแบบชั่วรูบนะไม่มีใครเห็นแล้วทำํำก็ตัวเราเองเป็นคนอยู่แล้วนะถ้าถามเป็นคนที่ไหนก็นเป็นคนทุกที่นั่นแหละ เป็นคนจังหวัดไหนไม่ตมาถามกันอยู่ตรงไหนตรงไหนเราก็เห็นตัวเองอยู่เราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นพระก็เกิดมาจากที่เราเห็นสติปัฏฐานสี่อย่างแจ่มแจ้งมันเป็นพลังงานของสติปัฏฐานที่เป็นมหาสติปัฏฐานเต็มรอบคณะหนึ่งจิตเดียวเป็นปิวันกันนะมันอะไรเป็นการเห็นธรรมเห็นทั้งลงมือกระทําลงไปเห็นทั้งเป็นธรรมชาติภไยใน เราก็ได้ลิ้มรถธรรมร ด, ดเป็นมนดยอดโอชาแห่งโกรธนี่แหละคือชีวิตของเราเราเป็นกิจของเราเป็นกิจยานเป็นการเดินทางสู่การพ้นทุกข์ที่เราทุกคนจะต้องเข้าถึงในชีวิตของเราลมหายใจที่เหลืออยู่หายใจเข้าหายใจออกก็การเดินทางแต่ละก้าวแต่ละก้าวของเราอย่างมั่นคงไปสู่หนทาง ที่องค์สมเด็สเจสัมมาจารได้เดินเอาไว้แล้วนั่นคือหนทางสองพันกว่าปีที่มีคนชี้ให้เราเดินตามรอยแต่ในตัวของเราเนี่ยมันเดินกลับมาหาน i r v a n a มันไม่ได้เดินไปหา n i r v a น a เปี่ยงแค่เราเอาตะกรันคือความคิดของเราออกไปถูกรู้ถูกเห็นคิดมากเท่าไหร่ก็รู้สึกตัวมากเท่านั้นคิดลอยครังก็รู้ลอยครังคิดหาครั้งก็รู้หครั้ง จึงกระทั่งไม่คิดเลยเราก็รู้จิตปกติอยู่อย่างนี้อาจ น, นั้นก็ให้พวนะกเราทุกคนทุกท่นา น, นชานี้เป็นเจ้าวันใหม่แล้วขณะนี้เราก็มาสวดมนต์กันเรียกว่าทําจิตทําใจของเราให้เกิดกุศลเป็นมหากุศลก็ขอให้ความดีของเราทั้งหลายนั้นนะการประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมของเราทั้งหลายนั้นก็จบเป็นไปเพื่อนะการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ ก็ขอให้ได้พบเจอกับนิพพานก็คือความสุขเรษมสารในชาตินี้โดยตัวนักกันทุกท่านทุกคนนั้นเอ